เสียงส่งเสียงอย่าให้ได้ลำคาเวลาแสดงธรรมอย่าให้เป็นค่าศึกต่อธรรมสถานที่นี้ไม่มีเทวทัถ์ถ้าคนไม่สร้างขึ้นมาเวลาประเทศเสียงกระทบกระเทือนนี้โห อ, อินหาละอาใจมากไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากเทศ ต่อหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากพระพุทธเจ้าพุกและพระภาษากที่เป็นต้นวงแห่งพระศาสนาท่านตัวพุทธปฏิบัติแนะนำพระศาสนามาด้วยความเคารพนกน้อม อย่างถึงใจจริงๆเนื่องจากท่านได้รู้ธรรมประเภทอัศจรรย์อย่างถึงใจแต่พระพุทธเจ้าเราก็ทราบแล้วว่าท่านสละทุกสิ่ทุกอย่างถึงเป็นถึงตายด้วยการเคารพธรรม หวังทรรมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าการเป็นพระพุทธเจ้ามานั้นเป็นมาด้วยความเคารพธรรมการสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทมอย่างเดียวไม่เสียดายอะไรทั้งหมดแม้พระสาวกมีจำนวนมากที่เป็นพระราชามหากษัตเศษฐีกุลุนพีก็มีจำนวนมาก เวลาเสด็จออกมาหรือออกมาจากสกุล น, นั้นๆแล้วมุ่งมอบกายถวายชีวิตต่อพระสัจธรรมซึ่งเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังพรวานของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามทุกอย่าง พระอาการของพระพุทธเจ้าไม่เคยมีในบทใดาบาดใดแห่งขบวลีเลยว่าได้ถูกตาหนิเพราะไม่มีพระอาการของผู้ใดจะเสมอเหมือนพระอาการของพระพุทธเจ้าที่มีความนิ่มนวลที่สุดส่วนบรรดาสาวกมีอยู่บ้างตามหลักนิสัย แต่ไม่ใช่มีเพราะความพึกขนองด้วยอำนาจแห่งกิเลสทัณหาอาสวะผลักดันออกมายกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรแม้เป็นอัคสาวกข้างขวาแล้วคียาอาการก็มีลักษณะแสงแฝงอยู่บ้างถึงกับพระบางองค์ได้ทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรนั้น ก็ได้ทราบชัดทั่วดินแดนแล้วว่าท่านเป็นพระหันองค์หนึ่งและเป็นอักษาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าในเวลาท่านโดดข้ามคลองท่านทำไมโดดกลับไปแล้วแทนที่จะกลับไปท่านโดดกลับคื้นมาอีกแล้วก็มีคำพูดขึ้นมาเป็นลักษณะอนองว่าอาริอริว่าอย่างนั้น ท่านพูดนี้มีความหมายอย่างไรซึ่งไม่เหมาะสมกับความเป็นอักษาวกและความเป็นปรารหันบ้างเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงประกันทันทีด้วยความสัจความจิงโดยทางพยานที่พระองค์ทรงทราบมาก่อนแล้วแต่พระยังไม่ทูลถามปัญหาใดๆเกี่ยวกับพภาษาดิบุตรนั่นเลยว่าพภาษาริบุตรของเรานี้ เคยเป็นลิงแต่ก่อนนิสัยกิยานั้นจึงคล้ายกับเป็นความขนองแต่กิริยาที่พระษาอิบุตรแสดงออกนั้นไม่มีอาการภายในที่ผลักดันออกมาให้เป็นความขนองเหมือนอย่างโลกทั่วๆไปเลยเป็นแต่นิสัยที่เคยสัสมมาที่ละไม่ได้เท่านั้นเพราะการละนิสัยนี้ เว้นพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นที่ละได้อย่างเด็ดขาดไม่มีนิสัยเดิมติดมาเลยนอกจากนั้นยังมีแต่ไม่ใช่เป็นนิสัยที่เกี่ยวเนื่องกับกิเลสตัญหาอาสวะแต่ประการใดด้วยเหตุนี้พระสารีบุตรลูกของเราต ร, ตรถาคตจึงไม่อาจละนิสัยนั้นได้ ขณะที่เธอจะแสดงบ้างก็มีแม้ อ, อุกอื่นลาลาาโคตก็เห็นด้วยว่าจะมีอย่างนั้นเหมือนกันมีพระพุทธเจ้าท่านแสดงอย่างนี้แต่เรื่องความหมายของพระสารีบุตรที่แสดงออกนั้นท่านต้องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากท่านเป็นผู้มีจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีโรคเกี่ยวพนเลย นี่เราพูดถึงเรื่องหลักนิสัยแต่คาว่านิสัยต้องไม่กระทบกระเทือนหลักธรรมหลักวิ น, นัยต้องไม่เป็นความผิดในกิิยาแห่งการแสดงออกที่เรียกว่านิสัยนิสัยนั้นหรือจากหลักนิสัยนั้นพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้า ท่านมีความกลมคลืนกับหลักธรรมหลักวินัยตลอดเวลากิริยาอาการที่แสดงออกทุกอาการย่อมเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ชื่นตาชื่นใจเห็นแล้วเกิดความล่วใสนี่ในข้างพุทธการผู้นำศาสนามาท่านนำด้วยวิธีการนั้น แล้ทำงานของาศาสนาก็ทำตรงกับหลักธรรมที่พู้ยเจ้ารง่ังสอนว่าอันใดเป็นงานอันแท้จริงของพระก็คืองานรื้อถอนกิเลสตันหาอาสวะด้วยความเพียรโดยวิประการต่างๆนี่ภาษาวกทั้งหลาย ในครั้งพุทธกาลท่านถืองานนี้เป็นสาคัญกล่าวกันในสถานที่ใดต้องกล่าวถึงสันเลขาธรรมคือเครื่องขัดเกลาขี่เหลวจิ่ทุกสถานที่ที่ท่านสนทนากันคำว่าสันเลขาธรรมนั้นคืออะไรแม้มีกี่ข้อ สันเลกธรรมนั้นมีสิบข้อด้วยกันซึ่งเป็นข้อใหญ่ใจความหนึ่งอภิชาตาความมากน้อยหสมกับความเป็นพระไม่พรลุงพลังมุ่งแก่จะธรระสิ่งพรลุงพลังทั้งหลายทั้งภายในภา ย, น, าย น, นอกออกให้หมดจา ก, กจิตใจโดยชิ่นเชิง ลองลงไปกอสันโดดคือความยินดีตามสิ่งที่มีอยู่ของตนข้อต่อไปอสังสักนีกาไม่คุกคีมั่วสมซึ่งกันและกันวิเวกตา ชอบหาที่สงัดฤเวศอยู่เสมอวิริยารำพาประกอบความภาคเพียรอยู่ในสานที่เช่นนั้นสีแล ะ, ะถากล่าวถึงดุงศีลความน้ำมัดระวังในศีลของตนไม่ให้ด่างพร้อยทะลุขาดใดได้ สมาธิพูดถึงเรื่องความเพียรเกี่ยวกับทาจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นมีฐานอันมั่นคงต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบไม่ให้เองนเอียงได้อย่างง่ายดายปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวทั้งภายในภายนอกไม่ว่ากิจการงานใดๆก็ตามให้มีปัญญาแฝงอยู่เสมอ วิมุตต์กล่าวสรรเสริญความดุพ้นจากกิเลธทั้งปวงนั้นว่าเป็นธรรมอันเลิศประเสริฐสุของผู้ต้องการความพ้นทุกโดยประการทั้งปวงวิมุตติยานัทนะพูดถึงเรื่องความรู้แจ้งเห็นจริงรู้รอบในความดุพ้นของตนโดยต ล, ลอดทั่วถึงไม่มีส่วนบวกพร่องเลยนี่เรียกว่าสันเลขาธรรม เรื่องขัดเกลาที่เหลือทีททท่สาวกทั้งหลายท่านชอบพูดอยู่เสมอในสังฆสนิบาตหรือในที่เช่นไรก็ตามเมื่อได้สนทนากันแล้วมีเป็นหลักของาศาสนธรรมหรือวงอริยะประเพณี ที่พระพุธทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาทำสาธารธรรมจริงเป็นธรรมชาติที่สะอาดไม่ปรากฏว่ามีความมงวหมองด้วยการพอที่จะได้ถูกตำหนิติเตียนโดยประการต่างๆเพราะเหตุผู้ปฏิบัติกลมคนนืนกันกับหลักธรรมหลักที้หนั่ ไม่มีความด่ังพรอยไม่เป็นที่แสลงตาแสลงใจพอให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายศรัทธาความเชื่อความล่มสลารทจริงๆมาตลอดเพราะผู้ปฏิบัติจริงมาตลอดสายท่านนานมาก็กลายมาเรื้วยจนสมัยปัจจุบันนี้ทมแท้แทบไม่ปรากฏ สาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจริงในตำลับตำราสอนไว้โดยถูกต้องไม่ว่าจะคาพีใดไม่สอนให้ผิดภลาดจากสิ่งที่สัต์โลกทั้งหลายพึงหวังคือความสุขความเจเดินตั้งแต่ขั้นต้นจนมาตั้งถึงขั้นสูงสุดแห่งความสุขความเจเดินมั้งนั้ น, น, นผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักทำหลักวินัยที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องนั้น มีน้อยเข้าลงโดยลำดับลำดับจนจะปรากฏหรือปรากฏบ้างแล้วหรือปรากฏมากขึ้นโดยลำดับว่าเห็นว่าทาเหล่านี้สุดยิสัใไปหมดสิ่งที่ไม่สุดวิสัยก็คือความทำตามความความโลภความโรกรธความหลงซึ่งฝังอยู่ในนิสัยทั้ดานของตน สิ่งเหล่านี้เลยเป็นสิ่งที่ออกหน้าออกตาเหยียบย่ําทําลายศาสนาเหยียบย่ําทําลายพุทธบริษัทอุบาสกสิกาเหยียบย่ําทําลายพระเนรเทนฉีให้แหลกไปหมดปรากฏแต่สิ่งที่สังสมกิเลสโดยกิริยาที่แสดงออกทุกอากาศ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะบ่นถึงมรรคผลนิพพานจนกระทั่งหมดน้ำลายเขาไม่ปรากฏเพราะน้ำลายไม่สามารถที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวดขาตธรรมนั้นเท่านั้นในเรื่องของศาสนาแม้จะเป็นของบริสุทธิ์ สุดที่โลกที่มีกิเลสทั้งหลายจะเอื้องตำหนิติเยียนได้ก็ต่ า, ตางแต่ก็เพราะอาศัยคนที่มีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราๆท่านท่านแอบอ้างตนว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพระเป็นเนรแล้ว เนียวพระธรรมพระวินัยเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเองแล้วปีนขึ้นเหยียบย่ทำทําลายด้วยการประพฤติปฏิบัติขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยของพระองค์ตรงนี้โลกจะตำหนิติชมก็ควรอยู่แล้วเพราะกิริยามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยที่ศาสนาได้ถูกตำหนิติเตียน เพราะผู้ปฏิบัติศาสนาทําให้เป็นอย่างนั้นถ้าตามหลักธทมหลักวินยัยหรือหลักหลักาศาสนธรรมย่นล้วนและผู้ปฏิบัติให้ตรงแนวตามหลักธทำหลักวินยัยที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้แล้วนั้นจะหาทางต้องติดไม่ได้เลยลําพังความรู้ความสา ม, มารถของสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสเต็มตัวนี้ เพราะศาสนธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าความเป็นความรู้ความเห็นของสามัญชนเป็นไหนๆเราจะสามารถอาจเอื้อมตำหนิกีเทียนได้อย่างไรเพราะเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่จะยกสิ่งที่ตนเห็นตนรู้นั้นเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเห็นว่าสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี้ มีคุณค่าหรือมีระดับสูงกว่าพอที่จะเหยียบย่ำทำลายหรือตำหนิติเตียนศาสนธรรมนั้นได้ท่านี้ถ้าผู้ที่รู้เห็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนจนถึงจุดแห่งธรรมที่แท้จริงอย่างประจักษ์ใจแล้ว ก็ยิ่งจะหาที่ตำหนิทาความพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่ได้เลยนอกจากจะกราบไหว้และเทิดทูนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนนั้นอย่างมอบราบและด้วยความสำนึกรู้บุญรู้ขุนของท่านเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะแสดงออกได้ เพราะเห็นนั้นพระสงฆ์สาวกพูดองพระองค์ใดก็ตามเมื่อได้รู้ได้เห็นทาตามพระพุทธเจ้าแล้วแม้จะไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าองค์ศาสด า, ส ด, าด้วยตาเนื้อของตนก็าตามถ้าสงฆ์สาวกคงนั้นๆอยู่ในสถานที่ใดกราบพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจอยู่ในสถานที่นั้นนั้นเพราะพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นคือความจริง อันพระจักใจของตอนอยู่แล้วนั้นไม่ใช่พระอาการของพระพุทธเจ้าหรือพระรูปพระโฉมของพระองค์จะเป็นศาสดาอันแท้จริงแต่เพราะพระไทยเท่านั้นที่บริสุทธิ์จุดสด่วนแล้วเป็นศาสดาขึ้นมาอย่างเป็นจุดพระอาการหรือ พระกายของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงเรือนร่างแห่งศาสดาเท่านั้นแม้เช่นนั้นพระสาวกก็ต้องเคารพอย่างถึงใจเช่นเดียวกันกับพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นด้วยเหตุ น, นี้ในธรรมที่กล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจึงได้แจกธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งตนรู้เห็นประจักษ์ใจ นี่แลคือทำแท้พระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพระไทยที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนั้นคือพระพุทธเจ้าแท้ผู้ใดเห็นทำแท้ภายในจิตใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์ผู้ที่เริ่มเห็นเป็นลำหนับอ่าตั้งแต่กัญญาณปุริชนถึงขั้นโสดาสกิทาอนาคา เพราชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นลําดับลําดับเมื่อถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจินได้แก่พระไทยที่บริสุทธิ์พระไทยที่บริสุทธิ์นั้นแลที่เรียกว่าทำทั้งแท่งทำทั้งแท่งนี้แลที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้วัฒพุทธังธรรมังสังขังสังขังกรฉ า, ามนีอยู่ทุกวันนี้ ไม่ใช่พุทธธรรมโดยพระพุทธเจ้าที่ปริพานันแล้วศูนย์เป็นโมฆะไปหมดพระธรรมศูนย์เป็นโมฆะไปหมดพระสงฆ์ศูนย์เป็นโมฆะไปหมดหากศูนย์จริงคํากล่าวพุทธทางธรรมสังขางรฉาม น, นี้ก็เป็นโมฆะโดยประการทั้งปวงผู้ปฏิบัติตามสาสนาธรรมนี้ก็ไม่เป็นการปฏิบัติ เพราะศาสนาศาสนาธรรมสูญไปแล้วปฏิบัติหาอายนี่ก็เพราะพุทธธรรมสงมีอยู่โดยหลักธรรมชาติและโดยความบริสุทธิ์นลล้วนของตนของตนงต น, นั่นแหละที่โลกทั้งหลายกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามจึงได้รับผลเป็นลำดับมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะได้ผลตลอดไป ไม่มีการทถาฐานที่ใดจะมาเป็นอุบาสกีดขวางได้เลยเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเกิดมาท่ารรมกลางแห่งชาตนธรรมของพระพุท ธ, ธเจ้าและได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตัวตามหลักธรรมนี้ ชื่อว่าจิตโฉมนุสสปติลาโผโดยแท้คือความเกิดเป็นมนุษย์นี้เกิดมาได้โดยยากผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ล่าวคำคำนี้หมายถึงผู้ที่ได้ กิมีความเชื่อความล่ำสายตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามนี่ชื่อว่าเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ของเราไม่ใช่จะเต็มภูมิด้วยจักแต่ว่าร่างกายเฉยร่างกายมีได้ด้วยกันพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนอยู่ในป่าก็เป็นคนเกิดในบ้านก็เป็นคนเกิดในเมืองก็คือคน เกิดตามทุ่งตามนาเกิดที่ไหนไหนเมื่อพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนแล้วต้องเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นแม้ว่าจะเกิดอยู่ภาคไหนเมืองใดทวีปใดโลกใดต้องรับยืนยันกันว่าเป็นคนโดยหลักธรรมชาติสมมุติแต่เพียงความเป็นคนเท่านั้นก็เหมือนกับต้นไม้จะเป็นต้นมีแก่น ประเภทที่แน่นหนามั่นคงและคุณภาพดีเยี่ยมขนาดใดก็ตามแต่เมื่อไม่ได้นำมาทำประโยชน์ให้เต็มภูมิแห่งสาระคุณของตนที่มีอยู่ในต้นไม้นั้นแล้วต้นไม้นั้นๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกดสักแต่ว่าชื่อว่าต้นไม้นี้ดีนะไม้นี้เป็นประเภทดีก็เป็นประเภทดีเฉยแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรจากต้นไม้นั้นไม่ให้ผลประโยชน์อะไรแก่ใคร ต้องอาศัยผู้มีความฉลาดนำต้นไม้ประเภทนั้นๆมาทำให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการและความฉลาดมสามารถของตนไม้ประเภทนั้นๆก็จะมีคุณค่าก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของนั้นโดยลำดับและเต็มคุณภาพพร้อมมันด้วยความฉลาดของตนมนุษย์เราก็เหมือนกันเช่นนั้น เพียงเป็นรูปร่างแห่งมนุษย์เฉยๆก็ไม่ผิดอะไรกับต้นไม้ดังที่กล่าวแล้วนี้เมื่อต้องการจะให้มนุษย์คือตัวของเราเองเองมีสาระคุณมากน้อยต้องอาศัยการฝึกผลอบรมเช่นเดียวกับเรานำไม้มาทำประโยชน์จะเอาไม้นั้นมาทำประโยชน์ท่านี้ไหน แล้วแต่ความต้องการความฉลาดสามารถของเราจะเจรานายไม้นั้นๆให้เป็นประโยชน์ตามความต้องการของตนนี่เราจะทําตัวของเราให้เป็นสาระคุณอย่างไรเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อความล่มจมชิบหายไม่ได้เกิดมาเพาื่อให้ใครตําหนิตีเตียนแม้ตัวของเราเองก็ไม่ต้องการจะตำนิตีเตียนเราว่าไม่ดี แล้วเราจะทำยังไงตัวของเราซึ่งเทียบกับไม้นี้ถึงจะเป็นสาถึงจะเป็นสารักุณแก่เรานี่เป็นหลักสำคัญฉะนั้นจึงต้องมีการศึกษาทางโลกก็มีโรงร่ยโรงเรียนมากมายกายกองจนกระทั่งสร้างไม่หวาดไม่ไหวต่อผู้ต้องการศึกษาเรงเรียนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เต็มไปหมดเฉพาะอย่างน่งทั่วประเทศไทยของเราแม้เชนนั้นก็ยังไม่ฉลาด และทางธรรมะซึ่งเป็นสิ่งเป็นหลักวิชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเหนือวิชาใดๆทั้งหมดก็ยิ่งเป็นความจำเป็นสาหรับเราที่จะต้องศึกษาซ้ำเนียกให้รู้และประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดผลขึ้นภายในตัวของเราที่เรียกว่าสารคุณเริ่มเกิดขึ้นแล้วจากการปฏิบัติตัวดีถ้าเป็นผู้สามารถจริงๆ สาระกุลก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลนําดับเหมือนดังสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นคนธรรมดาสามันเต็มไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงเช่นเดียวกับพวกเราเพราะท่านเกิดในถะ้ำกลางแห่งกิเลสพ่อก็เป็นคนมีกิเลสแม่เขาเป็นคนมีกิเลสเวลาลูกเกิดขึ้นมาก็ต้องเกิดขึ้นมาในถ้ำกลางแห่งกิเลสและลูกก็เป็นคนมีกิเลสแต่ทําไมท่านจึงสามารถเจรานายท่านได้ จนกลายเป็นบุคคลที่มีสารคุณอันยิ่งใหญ่และกลายมาเป็นสาธารณะของโลกทั้งหลายได้เช่นเราทั้งหลายได้กล่าววาจาลึกทางจิตใจถึงท่านว่าพุทธทางธรรมังสังขังสนังกรฉามิเนี่ย mm. หรือสังขังสนังกรฉามิเพราะท่านเป็นคนบุคคลพิเศษทําท่านจากคนสามัญธรรมดาให้กลายเป็นบุคคลพิเศษขึ้นมาท่านจึงกลายเป็นสาธารณะของโลกได้ด้วยความพิเศษ แห่งคุณธรรมของท่านอ้าวทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราให้พยายามทาของทำตนของเราให้เป็นสาระคือเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่มั่นใจต่อเราได้ทั้งทางหน้าที่การงานภายนอกและการประพฤติตัวให้ดีมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องรอเลี้ยก จ, จิตใจใจก็เป็นสาระคุณขึ้นมา เราก็เป็นที่พึ่งของเราได้แต่ว่าเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของเราได้ก็ถูกไม่ผิดวนมากมนุษย์เรามากจะพึ่งผู้อื่นเป็นนิสัยไม่ค่อยจะสนใจในการพึ่งตัวเองเลยด้วยเหตุนี้ในธรรมท่านว่าอัตตาหิอัตโนนาโถจึงขัดแย้งต่อใจมนุษย์ผู้หวังพึ่งผู้อื่นอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียว อัตยีอตนนาโถนั้นท่านสอนไว้ว่าตนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตนเพราะอะไรเราจึงต้องอาศัยผู้อื่นเพราะเป็นนิสัยมาดั้งเดิมเวลาเกิดมาจากกับพ่อกับแม่ก็พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเราเป็นอิสระที่สุดยิ่งเป็นลูกเล็ ก, เ, ลกเด็ ก, เ ล, กเล็กด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้มีอำนาจวางท่าอานาจวาฒนามากมาใหญ่โต ทั้งๆ ท, ที่เป็นเด็กตัวเท่าอึ๋งอ่างแต่อำนาจมากมายก่ายกองลุดาว่ากล่าวตบตีพ่อแม่ก็เก่งด่าพ่อแม่ก็เก่งอะไรก็เก่งต้องการอะไรขี้ไม้เป็นไม้ที่กาเป็นกาขี้อะไรให้เป็นอนั้นมาไม่หามาให้ไม่ได้ แผดเสียงแผดอำนาจออกมาด้วยการร้องห่มร้องไห้ต่างๆนั่นน่ะพิธีญา่าทางอะไรเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นหมดถึงให้นามว่าค่าหลวงในครอบครัวไม่ผิดนี่อันนี้ใส่อันนี้ฝังมาโดยลำดับโตขึ้นมาแล้วก็หวังพึ่งผู้อื่นหวังพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยๆไม่ค่อยจะคำนึงถึงการพึ่งตัวเองบ้างเลยเพระอาภมีจะพึ่งคนอื่นคนอื่น แม้จะไปทําราชการงานเมืองก็หวังแตจะพึ่งคนอื่นหน้าที่การงานซึ่งควรจะได้ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินไม่ค่อยจะสนใจอะไรมากนักยิ่งกว่าหวังเงินลงเงินเดือนไปเท่านั้นนี่ก็เสียผู้ที่หวังพึ่งตนเองก็คือทําหน้าที่การงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่องผลนั้นไม่ต้องบอกจะปรากฏขึ้นมาเองนิสัยอันนี้ก็จะฝังเข้ามาได้ให้การเป็นตนเป็นพึ่งของตนได้ เพราะฉะนั้นธรรมที่ท่านสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั่นจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งให้คนได้คิดถึงเรื่องของตัวว่ามีความบกพร่องอะไรอยู่มากมายก่ายกองมาซ่อมแซมหรือดัดแปลงให้มีความแน่นหนามั่นคงพอที่จะพึ่งตนเองได้ ภาษาโวกเบื้องต้นก็พึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อได้รับพระโอาวาจากพระองค์แล้วพยายามนำธรรมนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือบําเพ็ญเพื่อหวังพึ่งเพื่อความพึ่งตัวเองได้เป็นลําดับลํำดั บ, ดบจนกระทั่งสามารถพึ่งตัวเองได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังพระสารีบุตรได้กล่าวทำบทหนึ่งขึ้นว่า ผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยสัญญาอารมณ์ผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยความล่ำลือของโลกของสงสารนี่เป็นหลักสำคัญผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะความที่ว่าพระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมถึงขั้นความเป็นศาสดราของโลกแต่ผมเชื่อพระพุทธเจ้า โดยหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นสิ่งใดผมได้รู้เราได้รู้เห็นสิ่งนั้นอย่างประจักษ์ใจหาที่ค้านพระพุทธเจ้าแล้วผมเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยเหตุแห่ง